ส่วนอีกความหมายหนึ่งว่าความหมายที่สามอันนี้อธิบายแบบกรณะสาธานณะทีนี้อธิบายแบบภาวะสาธานณะภาวะมันก็บอกว่าสภาวะที่รู้อารมณ์อ่ะนะมันเป็นสภาวะชนิดหนึ่งที่ได้ปัจจัยหมายว่าที่ได้ปัจจัยพร้อมอะ่ะก็รู้อารมณ์เลยเนี่ยนะ มันเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งอันนี้พูดแบบแบบแบบภาวะสาธารณะสาธนารณะเนี่ยนะมันเป็นสภาวะชนิดหนึ่งที่ถ้าได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมอ่ะมันได้ปัจจัยสมควรมันจะรู้อารมณ์เลยเขาเรียกว่าพูดแบบนี้พูดแบบตรงๆงตรงตรงเนี่ยเรียกว่านิพ ป, ปัญญายบอกไม่ใช่พูดแบบอ้อมนะอันนี้พูดแบบตรงตรงเลยแต่ถ้าพูดแบบอย่างที่หนึ่งกับที่สอง ธรรมชาติที่รู้อารมณ์อย่างหนึ่ง อ, อย่างที่หนึ่งนี่เขาเรียกว่าพูดแบบกัตตุกัตตุสาธนะสําเร็จนะนะศาธนะแปล ว, ว่าเครื่องมือที่ทําให้สําเร็จสําเร็จโดยเป็นผู้ทําหรือเป็นเครื่องมือให้กระทําพวกนี้พูดแบบอ้อม อ, อมอะนะหรือที่เรียกว่าปริยายเนี่ยนะเพราะว่าตรงๆงมันจิตมันก็คือ สภาวะธรมที่ได้ปัจจัยพร้อมก็จะก็จะเกิดขึ้นนะนะธรรมชาตินั่นแหละชื่อว่าจิตอย่างเช่นปัจจัยที่พร้อมที่ทําให้จิตเกิดนี่คืออะไรเช่นถ้าทางตานะจิตจิตเนี่ยถ้าเรียกโดยชื่อมันจะมี6ใช่หมหนึ่งจักขูวิญญาณเนี่ยนะจักขูวิญญาณจิตถ้าใช้ชื่อเต็มจักขูวิญญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าได้ปัจจัยคือมีสีเอ่อมีตาก่อน มีตามีรูปจักุวิญญาณก็เกิดอันนี้แบบย่อดนะมีหูมีเสียงโสตะวิญญาณก็เกิดมีจมูกมีกลิ่นคณะวิญญาณก็เกิดมีลิ้นมีรสชิวหาวิญญาณก็เกิดมีกายมีโพธภากายะวิญญาณก็เกิดมีมโนคือพวังกับธรรมะมโนวิญญาณก็เกิดเรฉะนั้นธรรมชาติของจิตคือเกิดขึ้นตามสมควรแก่การได้ปัจจัยเนี่ยนะ พอได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นมันเป็นสภาวธรรมที่เกิดจากปัจจัยอันนะี้พูดแบบสภาวธรรมชนิดหนึ่งตรงนี้พูดแบบตรงๆแต่ถ้าพูดแบบมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้นามขันรู้อารมณ์นะอันนี้พูดแบบอ้อมหน่อยแต่จริงๆก็คือสิ่งเดียวกันนะนะต่างวิธีแสดงเท่านั้นเอง ที่เหลือก็อธิบายแบบหลักการของไวยากรณ์ถ้ามีความรู้ด้านภาษาบาลีบ้างก็เข้าใจธรรมะง่ายขึ้นแต่ถ้ายังไม่ไม่มีละ่ะก็ไม่เรียนตอนนี้ก็ไม่รู้ไปเรียนตอนไหนก็อธิบายควบคู่ทางบาลีไปบ้างอะไรไปบ้างพอได้วาสนาก็ยังดีทีนี้จิต อีกชื่อหนึ่งเนี่ยนะถ้าตามอัตถกาถาท่านอธิบายโดยมากก็บอกว่าเป็นธรรมชาติที่วิจิตหรือตัวจิตเนี่ยเป็นตัวที่มันทําให้วิจิตะนะจิตเนี่ยธรรมชาติที่ทําให้วิจิตอะไรบ้างอ่ะของในโลกเนี่ยที่เห็นเ น, นะลืมตาทั้งหมดเนี่ยเป็นผลพวงของจิตทั้งนั้นเลยเช่นเสื้อผ้าเนี่ยนะที่มันเป็นลายต่างกันสวดทรงต่างกันเป็นต้อนอันนี้ก็เป็นผลพวงของจิตเนี่ยทำให้สิ่งเหล่านี้วิจิตขึ้น นะที่เห็นเนทั้งหมดเนี่ยจิตเนี่ยตกแต่งมาทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือเสือ้อผ้าแม้กระทั่งตัวคนที่แต่งตัวอะไรทั้งหลายแหละก็เป็นผลพวงของจิตทั้งหมดเลยไม่มีไหมที่ไม่ใช่ผลของจิตเลยนะจิตไม่เข้าไปจัดการตกแต่งสิ่งนั้นนั้นเนี่ยไม่มีณสถานที่นี้ผล<ม>จิตเนี่ยทำให้สิ่งเหล่านี้วิจิตอย่างหนึ่งถ้าลงมาลึกเข้าไปอีกจิตเนี่ยมันทําให้อริยาบทเป็นต้น วิจิตใช่ไหมเช่นนั่งอ่ะนะทุกคนนั่งอ่ะแต่มีใครนั่งเหมือนกันไหมนะการวางแขนนี่ก็ไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยทําไมวิจิตขนาดนั้นเพราะจิตที่เป็นสมุทฐานอ่ะมันทําให้วิจิตเนี่ยนะอันนี้เป็นความวิจิตของจิตนี่อย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองเพราะภาวะแห่งตนเนี่ยเป็นธรรมชาติวิจิตตัวจิตเองนี่ก็เป็นสิ่งที่วิจิตอย่างมากทําไมอ่ะเพราะจิตมีหลายประเภทเนี่ยนะ ถ้าเอามาติกามาจับเนี่ยจะชัดเจนเพราะจิตบางอย่างเป็นกุศลบางอย่างเป็นอกุศลบางอย่างเป็นอัพยากตะจิตบางอย่างเป็นชาติวิบากจิตบางอย่างเป็นเหตุให้เกิดวิบากจิตบางอย่างไม่ใช่ทั้งวิบากไม่ใช่เหตุให้เกิดวิบากจิตบางอย่างเกิดร่วมกับสุขเวทนาจิตบางอย่างเกิดร่วมกับทุกขเวทนาจิตบางอย่างเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาเนี่ยนะ จิตบางอย่างเกิดร่วมกับอุปาทานจิตบางอย่างถือว่าเป็นผลของอุปาทานจิตบางอย่างพ้นจากอุปาทานโดยประการทั้งปวงเลยนะมันจิตนี่ถ้าว่าแบ่งแบบมาติการแล้วจะรู้โอ้โหเยอะมากเนี่ยนะหรือบางทีก็วิจิตแม้กระทั่งแต่โดยอกุศลอย่างเดียวนะอกุศลก็วิจิตไปตามโลภะอย่างหนึ่งโทสะอย่างหนึ่งโมหะก็อีกอย่างหนึ่งอโลภะอโทสะอโมหะก็อีกอย่างหนึ่ง จิตถ้าว่าตามภูมิแล้วก็มากะนะกามาวจรูรปาวจรารูปาวจรหรือว่าถ้าอาศัยอารมณ์ก็อาศัยรูปเป็นต้นเนี่ยนะจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างทั้งนั้นเลยอันคําว่าวิจิตตรงนี้แปลว่าหลากหลายกันนะน่าจะง่ายดีแปลว่าโอ้โหมันมากมายอ่ะนะเยอะแยะไปหมดเลยนั่นนะนี้พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ฉลาดพระองค์เนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มุ่มกลุมให้เห็นนั่นนะ อย่างที่สองนะว่าสภาวะของตัวเขาเองเนี่ยวิจิตอย่างที่สามอันกรรมและกิเลสสั่งสมไว้ด้วยสา ม, มารถแห่งชวนะเนี่ยนะชวนะเกิดขึ้นก็สั่งสมทั้งกรรมสั่งสมกิเลสหรือว่าอย่างที่สี่เพราะรักษาอัตภาพคือวิบากอันกรรมเป็นต้นสั่งสมเอาไว้เพราะฉะนั้นก็คือจิตมันเกิดขึ้นถ้ามันเป็นกรรมก็ถือว่าสั่งสมวิบากและหรืออย่างที่ห้าสั่งสมซึ่ง สันดาลเนี่ยนะของตนหมายถึว่าสะสมนิสัยนั่นเองสะสมนิสัยอ่ะนะสันดาลนี่เป็นทางธรรมะทางภาษาบาลีอ่ะนะสันตาล น, น่แปล ว, ว่าสืบเนื่องอ่ะนะหรือหเพราะมีอารมณ์อันวิจิตอธิบายคำแรกก่อนนะเพิ่มเติมว่าจิตคือธรรมชาติที่วิจิตมันวิจิตยังไงบ้างก็มาดูเอา พูดถึงว่าสัตว์โลกก่อนนะสัตว์โลกนั้นวิจิตมากถ้าแบ่งโดยเป็นเป็นสองกลุ่มก่อนอบายใช่ไหมอบายก็แบ่งออกเป็นนรกเปรตอสุรกายแล้วก็เดรัจฉานานะถ้าเป็นสุขติ ก็แบ่งออกเป็นสองคือกามสุขติกับพรหมอ่ะนะกับที่เรียกว่าพรหมอนะกามก็แบ่งออกเป็นมนุษย์เป็นต้นทีนี้พูดถึงเฉพาะสองอย่างคือเดรฉ า, านกับมนุษย์เนี่ยนะวิจิตไหมพูดถึงว่าพองบอกว่าเราไม่เห็นอะไรจะวิจิตเท่ากับหมูเดรฉ า, านเนี่ยนะมูเดรฉ า, านนี่วิจิตมากนะวิจิตจริงๆก็สีต่างๆก็แตกต่างกัน แต่ละอย่างก็ปล่อยกลิ่นได้ไม่เหมือนกันเป็นต้นนะในโลกของเดรฉาณนี่วิจิตจริงๆความวิจิตของสัตว์โลกเราเนี่ยเกิดจากอะไรเนี่ย น, นะเกิดจากเพราะว่าสัตว์โลกบางอย่างเกิดในเกิดเป็นกลุ่มโอปป า, ปาติกะเนี่ย น, นะบางอย่างเป็นสังเสทชะเนี่ย น, นะบางพวกเป็นชลาพูชะ บางพวกเป็นอันทชะเนี่ยนะชะตัวนี้แปลว่าเกิดพันโอปปาติกะแมลว่าผุดโตขึ้นสังเสทชะเนี่ยนะอันนี้ก็เกิดโดยเท่าใครหรือของสกปรกชลาผู้ชาก็คือพวกเกิดในคันแล้วก็อันทชะก็พวกอาศัยไข่เกิดคือกำเนิดหรือว่าแหล่งกำเนิดของของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยวิจิตพสัตว์โลกจึงวิจิตเป็นอย่างยิ่ง แล้วความวิจิตเหล่านี้ของกาเนิดที่แตกต่างกันมาจากอะไรไกรรมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้สัตว์โลกวิจิตกรรมก็ต่างโดยกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยทำให้กับกาเนิดการเกิดต่างๆที่วิจิตแล้วกรรมเหล่านี้ที่มันวิจิตทำไมจึงเป็นทางกายวาจาใจแบบนั้นมาจาก ตันหาที่วิจิตตันหาก็มีหกใช่รูบประตันหาเป็นต้นรูประตันหานั้นตันหาแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ทำให้เกิดกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรม ท, ที่แตกต่างกันไปตันหาที่วิจิตเนี่ยมาจากอะไระสัญญาที่วิจิตเนี่ยนะบางแห่งก็บอกว่าจากเวทนาที่วิจิตบางในก็บอกว่ามาจากผัสสะ แต่ตรงนี้พูดตรงๆคือมาจากสัญญาที่วิจิตตันหาก็จึงวิจิตเช่นการชอบนะรูปปัญหาทุกคนจะชอบไม่เหมือนกันเพราะว่าสัญญามาแตกต่างกันชอบเสียงก็เหมือนกันจะชอบเสียงที่ไม่เหมือนกันเพราะสัญญามาแตกต่างกันมาจากสัญญาสัญญาเหล่านี้มาจากไหนมาจากจิตที่วิจิตแล้วจิตที่วิจิตเนี้ยอาศัยอะไรทำให้วิจิตบ้าง การแรกตรงๆก็คืออารมณ์เนี่ยนะทำให้จิตวิจิตอย่างหนึ่งนี่นะอย่างที่2อเอ่อที่เรียกว่าวัตถุวัตถุเนี่ยบวกกับภูมิด้วยนนะแต่ละภูมิต่างๆก็ทำให้วัตถุแตกต่างกันจิตก็เลยแตกต่างกันแล้วที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คืออก ป, ปนิสัย อนนะอุปนิสัยที่วิจิตอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็สัมปะยุตรธรรมที่เกิดร่วมด้วยเป็นสิ่งที่วิจิตเนี่ยนะเพราะสัมปยุตรธรรมนี้ก็แบ่งทั้งที่ทเป็นสายกุศลสายอกุศลหรือว่าสายวิบากเป็นต้นนะงั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตวิจิตหมดเลยคุณนรีมองเห็นไหมข้างหลงั ง, ลงเห็นนะตาดีมากแล้วก็ จิตเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้สัญญาวิจิตสัญญาที่วิจิตก็ทำให้ตันหาเนี่ยวิจิตตันหาวิจิตก็ทำให้กรรมวิจิตพอกรรมวิจิตก็ทำให้กาเนิดวิจิตพอกาเนิดวิจิตสัตว์โลกก็เลยวิจิตอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่นี้เพราะฉะนั้นต้นเขาที่ผลิตรายการนี้ทั้งหมดมาก็คือจาก แต่จิตเองก็ต้องอาศัยอย่างอื่นอีกเยอะนะไม่ใช่ว่าจิตนี้เขาแหมใหญ่โตยิ่งใหญ่มากจริงไม่ใช่หรอกเขาต้องอาศัยวัตถุต้องอาศัยอารมณ์ต้องอาศัยสัมปยุตรธรรมต้องอาศัยอุปนิสัยมาจากทั้งหลายนะจากธรรมะอีกตั้งเยอะแยะแต่ถ้ว่าโดยรวมๆแล้วจิตนี้อาศัยนามกับรูปเนี่ยนะอย่างวัตถุทั้งหลายเป็นรูปให้อารมณ์ทั้งหลายโดยมากส่วนหนึ่งก็เป็นรูปสัมปยุตรธรรมก็เป็น นามเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยอาศัยปัจจัยหลักคือนามกับรูปเนี่ยนะแม้แต่อุปนิสัยพวกนี้ก็เป็นทั้งนามและรูปว่าโดยรวมๆแล้วนามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีจิตเนี่ยนะพอจิตเกิดขึ้นสัญญาก็เกิดร่วมด้วยกับจิตพอมีสัญญาก็เกิดเวทนาอนนะัปเวทนาสัญญาเนี่ยเกิดพอเกิดก็ถือว่าวัตถุดิบอย่างดีของ ตันหานะนะพอตันหาชอบก็เอาละกายเนี่ยนะล่วงออกมาแล้วทีนี้ถ้าทาวารกายเนี่ยถ้าแบ่งๆออกมาก็เช่นโดยอิริยาบถก็แตกต่างกันแล้วใช่ไหมทาวารกายนี่ก็เช่นยกตัวอย่างเรื่องอิริยาบถก็แตกต่างกันทาวารวาจาเนี่ยนะคำพูดนี่ก็โอ้โหแตกต่างกันยกเอาแต่เรื่องภาษามาอย่างเดียวนะที่ที่ที่แปลงออกมาเป็นคาพูดเนี่ยนะว่าโดยภาษาเนี่ยนะบอกว่า ภาษาไทยในประเทศไทยอาจจะมีไม่กี่ภาษาถ้าอินเดียมีเป็นพันภาษามั้งอินเดียนะมีเป็นพันๆอะ่ะก็สรุปว่าขอให้หลุดออกมาจากปากเถอะมันเป็นภาษาแน่นอนแต่ไม่รู้ภาษาไหนเท่านั้นเองขอให้เ อ, อ่ออ่ขึ้นมาเนี่ยนะเป็นภาษาหมดและและอย่างหนึ่งก็เป็นมโนเรื่องของความคิดเนี่ยนะอันนี้พูดถึงคำว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่วิจิตก่อน ส่วนภาวะแห่งตนเองก็เป็นธรมนะนนนธรมชาติที่วิจิตนะคือตัวจิตอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่วิจิตถามว่าวิจิตโดยอะไรยกตัวอย่างคร่าวๆว่าโดยกุศลอากุศล อ, อัพยากตะเนี่ยนะอันนี้ว่าแบบกุสลติกะนะกุศลอากุศลและอัพยากตะอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะจิตที่เป็นกุศลก็อย่างหนึ่ง จิตที่เป็นอกุศลก็อย่างหนึ่งจิตที่เป็นอัพยากตะก็อีกอย่างหนึ่งหรือว่าที่เป็นกุศลก่อนที่เป็นกุศลนเนี่ยนะมีที่เป็นไปกับทานก็อย่างหนึ่งเป็นไปกับศีลก็อย่างหนึ่งเป็นไปกับภาวนาก็อย่างหนึ่งทานนี้ก็แบ่งออกไปอีกเยอะแยะน่นะเรื่องของโลกของทา น, น่ะนะโลกของศีลก็ว่าไปอีกเยอะแยะ เยอะแยะ e ไม่ใช่เช่นตอบไม่ได้ไม่ใช่นะเยอะแยะแล้วต้องตอบได้นะภาวนาก็เช่นสมถะวิปัสนาเนี่ยนะอันนี้ก็เยอะแยะเองถ้าเป็นอกุศลที่เป็นไปกับราคะก็อย่างหนึง่งที่เป็นไปกับโทสะก็อย่างหนึง่งที่เกิดร่วมกับโมหะอย่างหนึง่งราคะอย่างเดียวก็แบ่งที่เกิดร่วมกับทิฏฐิก็อีกอย่า ง, งที่เกิดร่วม ก, กับมานะก็อย่างหนึง่งทิฏฐิก็เช่นสัสตะก็อย่างหนึ่ง อุเฉดก็อย่างหนึ่งศาสนาก็ถ้าว่าแบบย่อๆก็สิบหอุเฉดย่อๆก็ห้าพิสดารก็เป็นหกสองก็ไล่อย่างเนี้ยไปเรื่อยก็เยอะไปเองอะ่ะจนว่าคนเรามันคิดไม่เหมือนกันะนะว่าง่ายๆว่ามันคิดไม่เหมือนกันอะ่ะเพราะมันวิจิตอย่างนี้แหละความคิดเขาชอบนาะนาะนะจิตตังอะนะก็แปลว่าจิตมันวิจิตนั่นแหละเรียกว่านาะนาะนะจิตตังอย่างหนึ่งทีนี้ไอ พูดถึงนะเลยมหาอัพยากตะจิตที่เป็นอัพยากตะแต่ละอย่างก็แตกต่างกันเช่นอัพยากตะที่เป็นจิตเห็นก็อย่างหนึ่งใช่ไหมอภยกตะที่เป็นจิตได้ยินก็อย่างหนึ่งอัพยากตะที่เป็นจิตรู้กลิ่นก็อย่างหนึ่งรู้รสก็อย่างหนึ่งรู้โพธะภาคก็อย่างหนึ่งรู้โพธะภาคที่หัวกับที่เท้าก็คนละอย่างกันอีกอย่างงแม้แต่ที่เป็นผวังภวังก็แตกต่างกันไปอีก อันนี้เรียกว่าโดยกุศลอกุศลและอัพยกากตะและยังโดยอารมณ์อกีกมีรูปเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึง่งรูปหมายถึงสีนะมีเสียงเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึง่งมีกลิ่นเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึง่งในโลกของสีก็แบ่งว่ามีสีเขียวเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึง่งมีสีแดงก็อีกอย่างหนึง่งมีสีน้ำเงินก็อย่างหนึ่งแล้วสีในโลกนี้มันมีกี่สีอ่ะบคนก็10 ส, สีอ่ะว่า ง, าง่าง่ายคนก็10สี ถ้าคนห้าพันล้านคนก็โอ้โหเป็นพันล้านสีเหมือนกันคนละสีคนละสีไปเพราะฉะนั้นแปลว่ามันหลากหลายเหลือกเกินไอความคิดอันนี้ได้ฟังว่ามันเยอะๆแล้วเราจะไปคิดยังไงต่อไปนะจิตฮะคือเรารู้ว่ามันเยอะเนี่ยรู้เพื่อประโยชน์อะไรเพรื่ออะไร แสดงว่าที่ถามนี้ไม่เข้าใจว่าถามมาอะไรเลยนะ่ยคือหมายความว่าที่เราเรียนรู้ว่าจิตมันเยอะมากมันอะไรมากอ่ะเพื่อประโยชน์อะไรเรียนไปทไําไหมอ่านะราพระองค์บอกว่ามายากลมันเป็นความหลอกลวงชนิดหนึ่งเหมือนกันความคิดเนะี่ยมันไม่มีอะไรจะหลอกลวงเท่ากับความคิดอีกแล้วมันเป็นมายากลอ่านะ เพราะวิญญาณขันมันเป็นอย่างนั้นเพื่อที่แสดงเยอะๆแบบเนี้เพื่อให้เบื่อหน่ายควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในความคิดครบมันมากเชื่อมันก็ไม่ค่อยได้เพราะมันแล้วแต่มันจะเกิดสา ม, มารถเกิดได้เยอะแยะไปหมดเพราะมันแล้วแต่ปัจจัยอี ก, ก น, นะแล้วว่ามันเชื่อถือไม่ค่อยได้นะความคิดองนั้นแต่ว่าจิตทั้งหลายที่ที่ที่มันเชื่อถือไม่ได้เพราะปัจจัยมันเยอะ ถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งมันพร่องไปความคิดก็ก็เปลี่ยนไปนั้นความคิดก็ไม่เที่ยงแต่ความคิดก็ไม่ใช่ใครอีกนั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่ของใครอีกนั่นแหละแล้วเป็นอะไรก็เป็นความคิดไงเป็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงอะ่ะแค่นั้นะ่ะโอถ้ารู้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าอย่าลืมด้วยนะว่ามันเป็นกุศลก็มีนะอกุศลก็มีถ้ามันเป็นกุศลและอกุศลเนี่ยมันหมายความว่ายังไง ถ้าจิตที่เป็นกุศลแปลว่าจิตที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขต่อไปถ้าจิตที่เป็นอกุศลก็แปลว่าจิตที่มีโทษและให้ผลเป็นความทุกข์ต่อไปข้างหน้าตัวที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของของการพิจรารณาเรื่องจิตเนี่ยนะคือสังสมสันดาลเนี่ยนะ ต้องสันตาหน้านะฟังแนละ้วมันจะได้ไม่ค่อยขัดหูสั่งสมสันตานาว่าเป็นไทยมันชัดไปมั้ย